เรื่องโพธิปคีตธรรมให้โพธิปขีตธรมธ ร, ธรมแปลว่าธรรมเป็นไปในฝักฝายโพธิในแปลว่ตัดรู้ปคีตแปลว่าเป็นไปในฝักฝายที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานธรรมที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีอยู่สามสิบเจ็ดประการธรรมอันนี้สาคัญท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าญาติโยมพระเนน ออกบวชออกปฏิบัติธรรมฐานเทว ด, ดาอยู่บนฝว่งโน้นฉันดาวดึงโนนเขาใจกระชิดบอกกันว่าดูสิท่านผู้นี้ออกปฏิบัติธรรมเมะเขาก็อนุโมทนาเมื่อคนนั้นกำลังเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเพื่อรวบรวมโพธิปคิดธรรมสามสิบเก็ดประการให้เขามาพร้อมกัน เทวดาเขาก็บอกกันรู้สิ่ท่านผนั้นกําลังรวบรวมโพธิปัยิธรรมเพื่อจะเอาชนะมารแค่ก็สาถูกการดีท่านผูนั้นปฏิบัติชนะมารได้สำเร็จมักผลนิพพานเทวดาก็ยิ่งสาถุกันเป็นการใหญ่นี่โพธิปยิธรรมเพราะพุทธเจ้าทุกอ ง, งไม่ละเพราะพุทธเจ้าทุกองค์จะไม่เว้นนักปฏิบัติทุกคนทิ้งไม่ได้ถ้าใครทิ้งโพธิปยิธรรมสําเร็จมกักผลนิพพานมันเลเป็นอันขาด เพ่ธรรมะนี้จึงทัอวเป็นธรรมะสำคัญในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าโพธิปัจเยธรรมสามสิบเกตประการสติปฐานสีสมมติปทาน 4, สี่อิทิบาสสี่อินสี่ห้าพระหา้าโพธงเกตมรคแปดธรรมะทั้งสารรมสิบเกตนี้จะต้องเข้าพร้อมกันเมื่อเข้าพร้อมกันวินาทีใดวินาทีนั้นแหละกิเลสจึงจะขาดผู้นั้นจึงจะสำเร็จมรรคผลนิพพาน